หรือไปคิดว่าไม่สบายไม่สบายเป็นมะเ ร, ร็งสมมติไปตรวจร่างกายเจอว่าเป็นมะเร็งเร่องนี้เป็นขั้นที่หนึ่งนะในใจนี่มีแต่ความทุกข์มากเลยคิดล่วงหน้าไปต่อไปต้องเป็นมากกว่านี้ต้องเจ็บมากต้องตายต้องอะไรต่ออะไ ร, ออะไรในใจยิ่งกังวลไปมีความทุกข์มากมายถ้าเราฉลาดนะเรามาศึกษาปฏิบัติธรรมเนะี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรา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 แต่กายกรบวาจมันจะทำผิดได้เนะี่ยใจมันทำผิดก่อนเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราจะมีสติคอยรักษาใจของเราคนทำผิดศีลได้ไปด่าเขาได้ไปตีเขาได้ไปขโมยเขาได้นะไปขวมขืนเขาได้อะไรพวกนี้มันเกิดจากกิเลสเนี่ยมันครอบงำใจอย่างความโกรธครอบงำใจเขาทำผิดศีลได้ความโลภครอบงำใจเขาทำผิดศีลได้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 มีโอกาสกินเล้าก็ไม่กินเป็นการที่ไม่ทาผิดทางร่างกายทางวาจาข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยมันเป็นการทาความผิดนะทางกายทางวาจาเป็นการทำคาดะทางกายทาาจนส่รวนข้อ5เป็นกา ร, ระทายทาปราิดนะทางกายสางเพาเราขาดิดนตทางกายทางเกราดะายาวเ็กิะยทางจเปดมดนงกยวจเรมนะยจ็ดะกยจเปดย้อจเปรามดะกเจเปาทามผิดไะทเาทาผิด้ทากเราดนทากายทเป็นะย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 ถ้าจิตใจ ย, ยอมรับความจริงได้นะว่าความสุขก็เป็นของโชวคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะจิตใจจะไม่หวั่นไหวนะมันอยู่ที่ว่าจิตใจ ย, ยอมรับความจริงได้นั่นะคือการเจริญปัญญานะฝึกอบรมจน ก, กระทั่งจิตใจรู้ความจริงและยอมรับความจริงของชีวิตได้นีงานแรกนะหลวงพ่อจะพูดให้ฟังแบบไม่ยากนะวิธีที่จะฝึกจิตให้สงบนั้นนะมีวิธีมากมายมหาศาล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 อย่างเราไปดูหนังเนี่ยเราพก ว, ว่าจะมีความสุขไปกินเหล้าใช่ไหมหวังว่าอะไรหวังว่าจะมีความสุขจะหาแฟนสักคนพหวังจะมีความสุขไม่ว่าเราทําอะไรนะเราอยากได้ความสุขเราอยากได้ความไม่ทุกเนี่เนะีนะ่ยนวะิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกเนะี่ยวิ่งอยู่อย่างนี้ทั้งวันอะไปดูหนังจะไปฟังเพลงก็อยากได้ความสุข ไ, ไปทําอย่างโน้นทําอย่างนี้หวังจะได้ความสุขแต่จิตใจเนะี่ยมันไม่เต็มมันไม่หยิ่ม อย่างเราสมมติเรามีแฟนเราคิดว่าถ้ามีแฟนชักคนจะมีความสุขเพราะมีเข้าจริงๆนะก็งั้นงน่ะไม่เห็นจะสุขตรงไหนเลยอยากมีคนใหม่ละเกิดจะมีความสุขอีกนะบางคนลองหลายหลายรอบมีแฟนหลายคนอย่างเนี้ยก็ไม่เห็นมีความสุขยิ่งปวดหัวมากขึ้นมากขึ้นซะอีกนะที่จริงแล้วจิตใจฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะจิตใจอยากได้ความสุขแล้วมันไม่ได้มันก็เลยต้องวิ่งไปหาอารมาณนเดือดต่อ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 เนี่ยใจมันหลอนนะบางทีใจมันหลอนนะเฉะนันะ้นนั่งสมาธินะี่อย่าให้ขาดสตินั่าสมาธินั่นะต้องรู้เนะื้อรู้ตัวอยู่รู้ไปสบายๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสบายๆนะถ้าขาดสติปุ๊บจะเห็นโน้นเห็นนี่อะไรย่างเงี้อย่างนี้ไม่เอาสมาธิที่เห็นอันโน้นเห็นอันนะี้เห็นหวยเห็นเบอร์บางทีก็ถูกบางทีก็ผิดอนะไเชื่ออะไรไม่ได้หรอกสุดท้ายโดนกิน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 พร้มถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยนะชาวบ้านเนี่ยเคารพนับถือท่านมากเลยนะแห่กันมาแ ว, แวดล้อมส่วนเจ้ามือเนี่ยอยากฆ่าท่านนะออส่วนชาวบ้านเนี่ยนับถือมากเจ้ามืออยากฆ่าแล้วพระองคนี้เอาไว้ไม่ได้นะท่านบอกเขาเนี้ใจท่านโลกนะโนกูเก่งกูเก่งนั่งๆังไปยิงเห็นปุ๊บ6เบอร์บอกรอบนี้นะไม่ถูกสักเบอร์เลย ตอนนี้ท่านต้องหนีเลยบอกชาวบ้านจะฆ่าท่านเจ้ามือรักท่านมากเลยนะกลับมาหลวนะงปู่สินด่าเลย้นะาวนายัางไงไปเห็นเบิกเนี่ยอย่างเนี้ยสมาธิอย่างเนี้ยไม่เอา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 อยู่บนเขาเนี่ยแกพูดข้างล่างเนี่ยนะเสียงแว่แวๆขึ้นไปถึงยอดเขาเนี่ยเสียงดังขนาดแต่เขามันไม่สูงมากนะไม่ใช่เขาสูงขนาดต อ, อนอิฐถนนเสียงขึ้นไปขนาดนั้นนะมันผีหลอกล ะ, ะเสียงดังแข็งแรงวันหนึ่งนะกินข้าวตอนเช้ากินข้าวเสร็จแล้วก็สำลักแล้วก็ก๊อกกล้มลงไปตายเลยข้าวสำลักเสื้อเอึกข้าวสำลักแล้วข้าวจมูกอ่ะข้าหลอนลมอ่ะหายใจไม่ได้นะ ตายใน5นาทีขาดออกซิเจนตายนะคนเราตายง่ายนะแล้วคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อนะี่ยยังเด็กๆว่าหลวงพ่อเนะี่ยตายไปเยอะแล้วนะคนยุคนี้เป็นมะเร็งเยอะเลยนะเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นคนนู้นเป็นคนนี้เป็นนะพุบปับปบปับตายไปแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราเปของไม่แน่นอนเราจะไม่ประมาทนะมันจะค อ, อกล้าที่จะฝึกนะ พยายามจะพัฒนาจิตใจของเราไม่มีศีลก็พยายามจะมีศีลไม่เคยฝึกสมาธิก็อยากจะฝึกเผื่อตายแล้วยมาบาลถามว่ามีอะไรดีบ้างบอกโอ้ฉันถือศีลมาตลอดยอมบาลสู่หกเลยมันใช้ได้นะี่บอกฉันทําสมาธิมาตลอดยอมบาลต้องมองหน้าจิงเปล่าแต่ทาสมาธิแล้วเห็นเลขเห็นเบอร์หรือว่ามีสติรู้เนื้อ ร, รู้ตัวเลยถ้าทําสมาธิมั่วๆซ่วๆกิเลสเยอะแยะคงเบี่ยงลงระลกไปเลยนะ พวกเราอยากกลัวยมบาล น, นะจริงๆแล้วยมบาลใจดีมากเลยยมบาลเนี่ยเป็นคนที่ช่วยช่วยเป็นตัวช่วยนะเนี่ยเป็นตัวช่วยอย่างบางคนทําความชั่วมากตายปุ๊บไม่ต้องเจอโยมบาลไปอบายเลยบางคนทําความดีมากตายปุ๊บไปสุขติเลยไม่ต้องมีโยมบาลแต่พวกที่ดีๆกัมกึงกับชั่วพวกเนี้ยตัดสินใจไม่ถูกนะว่าจะดีหรือไม่ดีพวกเนี้ย ต้องให้ยมบาลช่วยตัดสินเด็กพวกเราใครรู้สึกว่าดีกับชั่วของเรากับกึกกันบ้างมีไหมยกมือซิเอองนหลวงพ่อจะบอกเคล็ดลับให้นะเออถ้าตายไปเราเจอยมบาลเนี่ยอย่าตกใจรีบนึกเลยว่าเราได้สร้างความดีอะไรไปบ้างนึกอะไรไม่ออกก็บอกว่าเคยฟังหลวงพ่อประโมทตเทศอนะ๋เอาอย่างนี้เลยนะยมบานยอมเลยนะ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 พอเรานึกถึงความดีเราได้นะจิตเราเป็นกุศลเราก็คึืนสุขติเลยเนี่ยท่านพยายามช่วยนะงั้นถ้าไปเจอท่านอย่าตกใจนะบอกไปเลยว่าฟังซีดีของหลวงพ่อ ท, ทุกวันทุกวันบมกอย่างนี้นะแล้วจะไปสุขติยามบานจะเกรงใจนะเ <c oughs> นี่ยค่อยๆฝึกนะไม่เคยถือศีลตั้งใจรับสาศีลคอยรู้ทันกิเลสของตัวเองแล้วศีลจะดีขึ้นดีขึ้น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 นั่งวันนี้ยดูง่ายหลวงพ่อได้เชื่อเลยคนเราเนี่ยสืบสายพันมาจากลินนะยุกขึ้นเก้าไปเรื่อยๆนะทําไมเราเก่ามันขันใช่ไหมแล้วเรารู้ไหมว่าเราเก่าเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าขันด้วยซ้ําไปมันขันขึ้นมาเราก็เก่าอัตโนมัติใช่ไหมเราแคฟังหลวงพ่อโดยไม่รู้เลยว่าคันพอคันปุ๊บก็เก่าหายขันแล้วฟังต่อ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 หัวล่าทีเดียวออกแล้วใช่ไหมรู้สึกไม่หายใจเข้าเราทุกล้วหายใจออกอ้าวกลับไปที่หายใจออกออกให้ยาวที่สุดสุขหรือทุกทุกเพราะงั้นหายใจเข้านะก็ทุกนะก็หายใจออกเพื่อแก้ทุกหายใจออกไปแล้วก็ทุกก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกอีกนั่งอยู่ก็ทุกก็ต้องไปยืนนะยืนก็ทุกไปเดินเดินทุกไปนั่งไปนอนมีไหมเดินเดินอยู่แล้วลงไปนอนมีไหม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 ีเรียกว่าอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถใหญ่ก็คือยุกขยิกยุก ข, ข, ข, ขยิกนี่แหละนะอิริยาบถเนี่ยเป็นตัวที่ปิดบังทําให้เราไม่เห็นความทุกข์ในร่างกายแท้จริงแล้วร่างกายเรามีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เวลานอนกลางคืนต้องพลิกซ้ายพลิกขวาใช่ไหมทําไมต้องคลิกเพราะมันเมื่อยนอนนะนึกว่าจะสบายนะ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 เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงพวกเราสังเกตไหมใจของเรานะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคนไหนขี้โมโหบ้างยกมือสีในห้องนี้โมโหวันในกี่ครั้งใครโมโหวันละสิบครั้งขึ้นไปยกมือซีมีไหมโอ้เยอะนะเสียงนะอใครขี้โลภเจออะไรก็ชอบไปหมดเลยรักสวยรักงามนะยิ่งเมียชาวบ้านนี่สวยมากเมียเราไม่สวยอย่างงี้เนยะ ใ, ใจขี้โลภ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 คนว่าเยอะแล้วนะเจอข้อมดหลังเดียวมากกว่าคนตั้งตำบลหนึ่งอีก เ, เนอสัตว์มันมีเยอะถ้ามันขี้หลงงั้นเราคอยมาสังเกตที่ใจเรานะเวลาโกรธขึ้นมาให้รู้ว่าโกรธคนไหนขี้โกรธนะใช้ความโกรธมาทำกรรมฐาน เห็นไหมเราทำกรรมฐานจากของไม่ดีไม่ใช่ทำกรรมฐานจากของดีนะเราทำกรรมฐานจากของไม่ดีเหมือนที่พระเทเจ้าสอนนะดุขรพิสู่าลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเห็นไหเนี่ยของไม่ดีเรียนจากราคะคือความโลภ ดุคระพ you, word, exist, ิสูจเท่าไหร่จิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะเนี่ยเรียนจากโทสะความโกรธเนี่ยดูคระพิสูจเท่าไหร่จิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะดูจากความหลงหลงก็รู้หลงแล้วรู้นะก็มีโมหะไม่มีโมหะเวลาหลงไปมีโมหะเวลารู้ขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาก็ไม่มีโมหะนีสลับไปสลับมา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 ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นจิตที่กโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไม่กโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไม่โลภเกิดแล้วก็ดับอย่างเราคี้โลภเนี้ยเดี๋ยวมันก็อยากได้ใช่มเดี๋ยวมันก็หายอยากเดี๋ยวมันก็อยากอีกเดี๋ยวมันก็หายอยากเนียมันมีแต่ทั้งสองข้างเลยนะทั้งอยากทั้งไม่อยากเนี่ย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 จะรู้อย่างนี้นะหรือบางคนก็อมองได้ลึกซึ้งมากกว่านั้นอีกอยังโกรธเงี้ยเราเห็นนะจิตมันโกรธได้เองเราไม่ได้เจตนาจะโกรธนะจิตมันโกรธขึ้นมาเองเนี่มันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราอย่านนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาอนัตตาคือเห็นว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่ตามที่เราต้องการตามที่เราสั่งนะอย่างเราไม่เจตนา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 มีความสุขแล้วเราไม่รู้ทันว่าความสุขเกิดได้ดับได้เลเราก็จะอยากได้อยากมีอยากเป็นนะเรียกว่ามีกรรมตัณหามีภาวะตัณหากรรมตัณหาอยากได้ภาวะตัณหาก็อยากมีอยากเป็นหรือถ้าโทสะเกิดขึ้นนะก็มีวิภาวะตัณหาอยากให้หายไปอยากให้หมดไปอยากให้สิ้นไปเนี่ยความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใจจะถูกบีบอัดวันนั้นโดยอัตโนมัติเลย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 อย่างถ้าโสดายัางโกรธได้ถ้าสกทาคายังโกรธได้เพราะความโกรธเกิดขึ้นท่านรู้ทันรู <uana> yeah <ๆ>้ทันแล้วเนี่ยความโกรธยังอยู่แต่ว่าพอท่านรู้ทันแล้วความโกรธมันหมดอิทธิพลมันครอบงาใจไม่ได้ท่านไม่ทําผิดศีลเพราะความโกรธหรือความโลภเกิดขึ้นพระโสดาสกทาคายังมีโลภนะยังมีโลภอยู่ความโลภเกิดขึ้นท่านรู้ทันท่านไม่ทําผิดศีลเพราะความโลภ พระอนาคาเนี่ยไม่มีความโกรธนะแต่มีความโลภแบบละเอียดโลภแบบละเอียดเนี่ยไม่ใช่โลภอยากกินอยากนอนอยากดูอยากฟังนะโลภของพระนาคาเนี่ยอยากสงบสุขอยากพ้นทุกข์อยากบรรลุมรรคผลอยากเป็นผ้าหลา น, น ย, ยังมีมีโลภอย่างนี้อยู่เป็นโลภชั้นละเอียดเ น, นี่ยต่อไปท่านภาวนาไปเรื่อยท่านก็รู้ถันนะจิตยังโลภอยู่เยถ้ารู้ถันนะไม่เนียงนอนใจภาวนาไปเรื่อยวันนึงก็ชนะกิเลสสิ้นเชิงได้นะ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 มรคนิพพานจะไม่หนีเราไปไหนหรอกพระนะพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วท่านก็ไม่ได้เก็บเอามรคนิพพานไปด้วย<ๆ>ก็ยังอยู่ทุกวันนี้ก็มีถ้าเราสามารถฝึกจิตฝึกใจของเรานะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสุดท้ายวิมุตติก็เกิดขึ้นนะถ้าได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาที่ถูกต้องวิมุตต์คือความหลุดพ้นก็เกิดขึ้นมันรู้มรคลได้เนะงั้นเราต้องฝึกนะของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มี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 ตั้งใจอย่างนี้นะถ้าไอคนที่เอาไปกินไม่ใช่พระสง์ที่ดนะีอย่างน้อยไม่มีศีลมีธรรมเลยนี่มันเป็นหนี้ของเราเองนะเราก็ได้บุญเต็มๆแลเราทำบุญเรามุ่งองุทิศถึงพระเจ้านะถึงพระสาวกจริงๆนะวางใจวางใจให้ใหญ่ไวนะ้ไม่ใช่ทำเพื่อเอานะทำทาให้มันถูกนะทำให้มันฉลาดนะมีเงินสลึงหนึ่งนะทําบุญสลึงหนึ่งเลนะ ใจขอเราอิ่มเอิบนึกถึงที่ไรก็อิ่มทุกทีได้บุญเยอะนะทำบุญไปล้านเนงินกับบ้านสามีเตะเอาเงินไปให้ฟ้าบ้านเหนื่อยเตะเช้าเตะสายเตะบาต่ายเตะเย็นนี่นะโอ้ใจเศร้าหมองบุญอย่างนี้เล็กน้อยนะทำแล้วจิตเศ้าหมองอย่าไปทํนะา้องรู้จักนะต้องรู้จักอะไรที่ลดละกิเลสได้อะไรที่เพิ่มศีลเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาให้เราได้เนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้นะ เรา ล, ลาไปฝึกฝนตัวเองไปเพราะวันหนึ่งอ่ะเราจะได้ของดีของวิเศษมาเต็มหัวใจเราคือได้ธรรมะได้ธรรมะมาเต็มหัวใจมันอิ่มนะมันอิ่มร่างกายเราเนี่ยหิววันหนึ่งสองสรอบบางคนก็หิวสี่ครั้งห้าครั้งเพราะตะกร้ามั่เลยหิวบ่อยนะแต่จิตใจเนี่ยหิวตลอดเวลาเลยเดี๋ยวอยากโน่นเดี๋ยวอยากนี่นะเนี่ยหิวหิวโซตลอดเลย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 และทีนี้โยมก็นั่งสมาธิอยู่อยู่ๆทีวีมันก็ดับเบิดปึง้งได้ยินเสียงโยมกิจโยมดับดับเหมือนไฟขาดเพราไฟขาดปุบโยมก็ลุกขึ้นเดินรอบเตียงสามีโยมนอนอยู่โยมก็เห็นว่าตัวเราไม่มีนี่ ม, มันพยายามเดินเมียนอยู่รอบเตียงเวียนเวียนว่าตัวเราหายไปไหนหายไปไหนแล้วกโยมก็ปิดไฟนอนพอนอนปุ๊บโยมก็ลุงเช้าโยมก็พยายามแสดงตัวตอนว่า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 นี่แล้วเอาเท้าเขี่ยสามีสามีได้เอาเท้าเขี่ยเราตกเตียงเลยโยมพยายามปลุกให้ตื่นให้ช่วยอะค่ะเนี่ยใจมันยังรักตัวเองอยู่ตอมันเห็นว่าตัวเราไม่มีแล้วมันตกใจค่อยๆฝึกนะแล้วโยมจะปฏิบัติยังไงต่อไปดูไปเรื่อยๆเนี่ยดูจนใจมันยอมรับความจริงนะว่าตัวเราไม่มีแล้วนะตอนเนี้ยมันยังมีอยู่ยังไม่ขาด ยังฉันไม่จบยังมันยังมีเงาของความเป็นตัวเป็นตนอยู่เราก็ดูไปได้ได่อยถ้าภาวนามาได้อย่างนี้มันไม่ยากแล้วละ่ะ <c oughs> หนูน่าภาวนาดีนะภ <c oughs> าวนาดีแต่ว่ามันยังไม่ละความรักในตัวในตนนี้มันยังมีอยู่เพราะภาวนาจนถึงเวลาจะตัดแนละ้วมันจะอาลัยอาวอรณนี้ <c oughs> ดีดออกมาอีกอย่าเสียดาย โยมยังต้องเพิ่มอะไรเจ้าคะฮะโยมต้องเพิ่มอะไรอีกเจ้าคะอยู่ที่เวลาภาวนาไปเรื่อยๆอมันเหมือนผลไม้ต้องอรอเวลาที่จะสุกงอมนะคะที่ภาวนามาเนี่ยดีแล้วล่ะะอะ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 จิตแคลงญหวนหงิตัวอย่างนี้นะจะได้อีกคะแนนหนึง่งมันมันแช่นานเป็นแบบตั้งครึ่งวันเลยนะคะอย่าไปยอมให้แช่ดูมันเข้าไปตรงๆเลยรู้ว่ามันกําลังแช่อยู่ก็คือแช่ก็าดูเข้ไปตรงๆอย่นี้มันจะหลุดออกมาเลยนะอย่าไปยอมมันนะเพราะของหนูเนี่ยโทรสามันแรงนะแล้วมันระบาดไปที่ขนข้างๆตัวด้วยตนะ้องระวังน ะ, ะขอบคุณค่ะ มัส ก, การทบทหลวงพ่อหลายหลายปีที่แล้วไปส่งกันบ้านบอกหลวงพ่อว่าติดเพ่งเข้าใจว่าเพ่งคลายออกมาบ้างแล้วแต่ว่ามันมันฟุ้งกระจายแล้วก็โทรศเยอะขึ้นเยอะมากครหลวพ่อเรา<อ>มีโทรศัพ์แล้วเราก็รู้ทันจินมีโทรศัพก็รู้จิตไม่มีโทรศัทก็รู้เนี่ยคือการเจริญปัญญานะรู้จักหลวงพ่อพุทธไหม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 พอนายใช้ได้แล้วล่ะดีกว่าเก่าเยอะเลยนะคุณครับที่ช้าเพราะว่าติดเพลงเพรติดเพ่งก็ต้องแก้พระธรรสตรางหลวงพ่อนะคะ อ, อะลูกได้รู้จักหลวงพ่อมาตั้งแต่พศสอบอห้าหนึ่งนะคะแล้วลูกก็อฟังเพ่ของหลวงพ่อมาตลอดนะคะแล้วลูกก็รู้สึกว่าพอได้ฟังเสียงของ หลวงพ่อแรู้ส okay ึกว่าสบายใจแล้วก็เย็นแล้วก็โล่งลูกก็ปฏิบัติตามตามออสบายใจอย่างเดียวไม่ได้นะสบายใจแล้วปฏิบัติเนลี้ใช้ได้อแล้วลูกก็วันนี้อยากกราบขอบว่ะคุณหลวงพ่อที่มาโปรดนะคะซึ้งใจมากน้าตาไหลเลยให้รู้ว่าซึ้งอยากปล่อยให้ความทราบซึ้งมันครอบงาใจนะอรู้เข้าไปตรงๆแล้วว่ากำลังปลื้มรู้ว่ากำลังปลื้มแล้วปลื้มอยู่ส่วนปลื้มจิตอยู่ส่วนจิตนะแล้วก็อยากจะถามหลวงพ่อว่า รู้ปฏิบัติทมแล้วลูกก็รู้ว่าเรามีกิเลสเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ทําไม่มีกิเลส จ, จะปฏิบัติทําไมล่ ะ, ะนะรเราปฏิบัติก็เพราะเรามีกิเลสค่ะแล้วจะทํายังไงให้มันว่างจากตรง น, นี้ให้มันเยอะๆค่ะให้มันหลุดอย่ไปให้ว่างนะครับมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสพระเจ้าไม่เคยสอนให้ว่างค่ะท่านบอกจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะเห็นไหมจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะให้รว้อย่าไปทําให้ว่างนะค่ะอ่าแล้วพอ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 แต่เดิมเราพานาไม่เป็นเราเขรู้สึกว่าเราเป็นคนดีนะ่ใช่เลยค่ะรู้สึกว่ามาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยแต่ละคนจะรู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยร้ายโคตรโคตรเลยบอกว่าการมาสการหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกค่ะตื่นเต้นก็ปฏิบัติมาได้ประมาณหกเดือนนะคะแต่ว่าก่อนนั้นก็คือทําสมถะมาตอนแรกก็คือดูไม่ออกว่า จับสมรถะเราจะมาดูจิตยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอฟังดีๆมากขึ้นก็รู้สึกว่ากายกับใจมันแยกกันได้เองอะค่ะ hmm. แต่ทีนี้ตัวเองก็คือติดการนั่งสมาธิค่ะหลวงพ่อมีครั้งนึงที่แบบว่าคือนั่งแล้วเราสบายใจอะค่ะพอนั่งปุ๊บก็ตอนนั้นตอนแรกก็ยังเห็นกายเป็นกายอยู่เห็นลมหายใจอยู่แต่หลังจากนั้นก็คือลมมันตื้นขึ้นแล้วลมมันก็หายไป hmm.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 จะเป็นตัวร่างกายก็ได้เป็นสุขทุกข์ก็ได้เป็นดีชั่วก็ได้ถ้าดูได้ย่า่นี้นะปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราดีชั่วก็ sure ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราอย่างนี้ถึงจะเดิดต่อใจมันกลัวนะคะว่พอพอไม่ใช่พุกเราพอก็ไม่เอาอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เอาอะไรเลยแล้วก็จะกลัวค่ะว่ากลัวให้รู้ว่ากลัว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 จเจริญ ป, ปัญญ า, าเิญัญญาให้มากขึ้นหน่อยนะสมาธิเยอะแล้วแต่ไปเนี่ยดูไายทำงานไม่ใช่เราทำงานนะดูความรู้สึกดูจิตใจมันทำงานดูเหมือนดูคนอื่นไม่ใช่เรานะครับนมนสตานค่ะตัวโยเมเองนะคะมีเรื่องที่จะถามหลวงพ่อนะคะว่าการที่เราไป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 แล้วรู้นั้นก็รู้เงีับไม่มีคำพูดแล้วพอสักพักนั้นก็จะเห็นว่ากิเลสหายไปเสียวหนึ่งค่ะหลวงพอ่อแล้วทีนี้ก็พอเห็นแบบนั้นปุ๊บ ก, ก็จะเห็นความส ง, งบสว่างสะอาดเกิดขึ้นเจ้าป่ะยังเชื่อมันไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็สกปรกได้อีกนะแต่มันยังไม่ไม่ได้ตัดจริงเจ้าค่ะนะเราก็ฝึกของเราต่อไปอีกยังไม่พอ จอยาให้ฟงซ่านก็แล้วกันเราจะอห้ามฟงในธรรมะจะาดเลร็แล้วเครื่องปัจจัยใจทยทานทัลยนะหลวงพ่อถวายให้วัดประชาสันติเพื่พวกเราจะได้ได้บุญไหลต่อที่วัดเขากลังก่อสร้างนี่ปัจจัยใจทยทานท่าไหลายขอถวายแท้ที่วัดกนนะะรับพร ยะถาวะริวาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตตินังเปตา n ังอุปกะปติอิชิตังตทิตังทุมหังคิปเมวาสมิฉตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรสวัฏฐามณิโชติรสวัฏาสัพพีตโยวิวัชันตุสัโรโควินัสตุมาเตภวัวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะ อาภิวาตนาสีลิสนิจจังุทธาปจายโนะจตาโรโธรรมาวทันติอายุวนโนสุขังพะลัง